การศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือการศึกษาเพื่อความดับทุกข์ในการศึกษาที่เรียกว่าศึกษาพระธรรมศึกษาในโดยศัพท์หมายถึงสิกขาสคืออธิเสลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้ง3ประการที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้นเป็นสิกขาที่นําออกจากทุกข์ สิขาสามเมียที่ศีลเป็นต้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องฟังเรื่องศีลจนเข้าใจในศีลเป็นอย่างดีจึงจะมีการสังวรสำรวมระวังในศีลได้เพราะว่าศีลที่ที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกนั้นต้องเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาคือต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชำระศีลเพราะว่าถ้าเป็นผู้ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะชำระศีลได้ เหมือนผ้าที่สกรปรกจะต้องอาศัยอุปกรณ์ใช่ไหมสมัยก่อนก็ใช้อะไรพวกขี้เท่าเป็นเครื่องช่วยซักผ้านะสมัยนี้ก็ใช้พวกผงซักฟอกเป็นต้นศีลก็เหมือนกันใครที่จะรักษาศีลได้ดีรักษาศีลได้อย่างยั่งยืนคนนั้นจะต้องมีปัญญาประกอบรู้ว่าอะไรเป็นโทษของความโทษศีลอะไรเป็นคุณประโยชน์อันนิสง์ของการรักษาศีลรักษาศีลเสียหายในโลกนี้อย่างไรเสียหายในโลกหน้าอย่างไร นนะขวางทางให้บรรลุมรคผลนิพพานได้อย่างไรความรู้ความเข้าใจอันนี้ต้องดีขณะเดียวกันต้องรู้คุณประโยชน์ของการรักษาศีลศีลที่รักษาดีแล้วเนี่ยดีอย่างไรประโยชน์ของการรักษาศีลขณะที่สมาทานศีลขณะที่ตั้งใจอยู่กับศีลให้ใจเป็นไปกับศีลประโยชน์มีอะไรบ้างศีล น, นี้อุปการะต่อชีวิตต่อไปอย่างไร เีนเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไรทำไมศีนจึงเป็นบาตรแห่งมรรคผลนิพพานถ้าไม่รักษาเนี่ยนะถือว่าเป็นความเสียหายขนาดไหนถ้ารักษาแล้วเนี่ยผลกำไรที่เกิดจากการรักษาศีนเนี่ยดีอย่างไรสมาธิ ป, ปัญญาเป็นต้นก็นญาตเดียวกันดังั้นถ้าหากว่าความเข้าใจเราไม่พอก็ยากที่จะอบรมศึกษาในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เพราะว่าพระพุทธศาสนามรรคที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นแปลเป็นภาษาไทยๆก็คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแยกแยะออกว่าอะไรเป็นมิจฉามรรคแยกแยะออกว่าอะไรเป็นสัมมารมรรคอะไรเป็นข้อปฏิบัติผิดอะไรเป็นข้อปฏิบัติถูกถ้าแยากละเอียดแล้วอนะแยกละเอียดว่ารู้ว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างไรเป็น มิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาสังกรประอะไรเป็นมิจฉาสังกรประคำพูดไหนเป็นสัมมาวาจาคำพูดไหนเป็นมิจฉาวาจาอันนั้สรุปว่ามรรคแปดนี้ต้องแยกออกได้ทั้งหมดเพราะนนั้ตัวความรู้ความเข้าใจนี่สำคัญนนถ้าความรู้ความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้องเมื่อเข้าใจทั้งหมดก็สามารถที่จะชําระศึกขาให้บริบูรณ์ได้ผู้ที่ชําระศึกขาจนบริบูรณ์ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุก์ บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าแสดงได้ทีนี้ศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยจะมาได้อย่างไรอขออภัยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะอาศัยอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือการฟังกับการเอาไปใข้ครวญแต่สำคัญทั้งสำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับสาวกเนี่ยถือการฟังเป็นหลักนะฟังจนเข้าใจเพราะไม่สามารถจะเอาไปคิดเองได้ คนที่คิดเองได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมา ม, มากจริงๆจนเห็นอะไรก็เข้าใจอย่างทะลุโปรป่งหมดจึงจะสามารถเอาไปชำระได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยทั้งหลายก็ต้องฟังฟังจนกว่าจะเข้าใจถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจจะทําอะไรได้ถ้าฟังจนถ้าฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ปฏิบัติไม่ได้ไมันทำยังไงเพราะว่ามรรคแดนั้นปฏิบัติอยู่ที่กายวาจาและ ใจไม่ใช่อยู่ที่การเดินทางไม่ใช่อยู่ที่อิรยาบทแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอิรยาบทเพราะชีวิตใครบ้างไม่อยู่ในด้วยอิรยาบทสี่มันก็อยู่ด้วยอิรยาบทสีแต่ตัวมาร์กแเนี่ยจะต้องทาความเข้าใจให้ให้เพียงพอการศึกษาพระสูตรโดยเฉพาะในอุทานที่เรากาลังเรียนอยู่เนี่ยนะก็มาศึกษาความรู้สึกนึกคิดของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆเนี่ยนะพระองค์เข้าใจว่าอย่างไรพระองค์คิดอะไร น, นะก็คือเท่ากับพระพุทธเจ้าคิดอะไร น, นะพระองค์พูดอะไรเป็นต้นในแง่อัธยาสัยความรู้สึกนึกคิดของพระพุทธเจ้าซึ่งผู้ที่ปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะผู้ที่ดับทุกข์เสร็จแล้วเนี่ยท่านแสดงอะไรท่านพูดอะไรเราจะได้เข้าใจอัธยาสัยของพระองค์ ถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเท่าไร่การปฏิบัติของเราก็มีแต่เจริญโดยส่วนเดียวเพราะเราจะอนุวัตตามอัธยาศัยของพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ที่นำหน้านำหน้าไปในทุกเรื่องเนี่ยนะตอนต้นเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เราก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่ประเสริฐเนี่ยนะบางทีนั้นหลายๆเรื่องของเราเนี่ยเด็กเกินไปที่จะเข้าใจพระองค์ อ, อย่างหลายๆเรื่องเลยนะ ในพระธรรมที่พระองค์ตรัสเอาไว้นั้นน่ะถือว่าเรานั้นเด็กเกินไปที่จะเข้าใจแต่ถึงเรายังไม่เข้าใจใจของเราก็ต้องโอนไปตามคําสอนก่อนเพราะเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นตรัสรู้เพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเคลือบแคลงแหะเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตะปูตรึงใจข้อที่หนึ่งเรียก ว, ว่าโจเจโตขีลธรรมตะปูตรึงใจทําให้ไม่เจริญก้าวหน้าพอที่จะบรรลุมรรคผลได้ ข้อแรกก็คือเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในพระพุทธเจ้าข้อสองก็ไม่แน่ใจในพระธรรมข้อสามก็ไม่แน่ใจในพระสงฆ์ข้อสี่ไม่มั่นใจในศิขา่นะนะข้อ5าก็โมแต่ทะเลาะ ก, กันนโมแต่ทะเลาะกันโมแต่แย่งเก้าอี้กันนั่งวางนั้นเถอะเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เลยเป็นเรื่องไปหมดเลยพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นเจโต ขีลธรรมเป็นตะปูตรึงใจดังนั้นการศึกษานั้นจะต้องจนกว่าจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาขึ้นข้อความในวิสาขาสูตรเนี่ยนะในอุทานต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า261วิสาขาสูตรเนี่ยนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุภารามปราศาสตรของนางวิส า, าขามิมขารมาตา ใกล้พระนครสาวัตถีปุารามตัวนี้แปลว่าตะวันออกเนี่ยนะวัดที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองถ้าเชตะวันเนี่ยวัดที่อยู่ด้านทิศใต้ของเมืองเนีย่ยนะอยู่ทางทิศใต้ปุารามนั้นไม่ใช่ปุบผานะที่แปลว่าดอกไม้อันเนี้ยปุบพาคืออยู่วัดที่อยู่ทิศตะวันออกของเมืองนะเป็นวัดที่นางวิสาขาสร้างสร้างถวายพระพุทธเจ้า ก็สมัยนั้นแหลประโยชน์บางอย่างของนางวิสาขามิขารมานดาเนี่ยนะเนื่องในพระเจ้าปเปเสนที่โกศลพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเนี่ยไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์ก็เวียนไปไปเพื่อทาธุระกับพระราชาเนี่ยนะธุระมันก็ไม่เสร็จซักทีหนึ่งครั้งนั้นเป็นเวลาเที่ยงนางวิสาขามิขารมานดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามนางวิสาขามิคารมานดาว่าดูก่อนนางวิสาขาท่านมาแต่ที่นี้เออท่านมาแต่ที่ไหนหนอในเวลาเที่ยงนางวิสาขามิคารมานดาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสประโยชน์บางอย่างของหม่อมฉันเนื่องในพระเจ้าประเสริฐที่โกศล พระเจ้าเประเซนที่โกศลไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าอัน น, นก็เหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมไปไปุระกับพระราชาธุระก็ไม่ยอมสำเร็จสักทีหนึ่งพงฟังเรื่องนั้นก็เลยอุทานออกว่าประโยชน์ทั้งหมดอยู่ในอานาจของผู้อื่นเนี่ยนาทุกมาให เนี่ยนะที่เขาบอกว่าอะไรนะโบราณเขาบอกว่ามีเกวียนะ่ะแต่คนอื่นเขายืมไปใช้ก็เหมือนก็มีรถอะ่ะแต่อยู่ที่บ้านคนอื่นมีเรือแต่อยู่คนละฝั่งนี่ยนะนะมีภริยาแต่ก็กลับไปอยู่บ้านสามอ่าไปอยู่บ้านพ่อแม่เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนะมีเงินเขากู้ไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จนะนะนี่ก็เหมือนการ อะไรก็ตามผลประโยชน์ใดก็ตามถ้ายังอยู่ที่มือของผู้อื่นผลประโยชน์อันนั้นเนี่ยถือว่านาความทุกข์มาให้มันลำบากใจมากะนะเหมือนกับว่ามีรถแต่ว่ารถอยู่ที่โรงพักงงนะอย่างเงี้ยนะก็อย่างเงี้ยไม่ไม่ดีเท่าไรความเป็นใหญ่คือความเป็นอิสระทั้งหมดนี่นำความสุขมาให้มันคนที่เป็นอิสระที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่มีความสุขเมื่อสาธารณประโยชน์ที่จะพึงให้สาเร็จ สัตว์ทั้งหลายย่อมเดือดร้อนเพราะว่ากิเลสเครื่องประกอบสัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงได้โดยยากนะนะคือความทุกข์ร้อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เนื่องจากถูกโยคะเนี่ยมันมันผูกมันมัดเมื่อโยคะผูกมัดร้อยรัดอยู่นั่นแหละก็เลยทําให้ไม่สามารถจะล่วงล่วงอะไรล่วงทุกข์ไปได้ก็เลยจมอยู่ในแต่ความทุกข์สรุปเนื้อหาตามอัตถกถาโดยลําดับดังต่อไปว่า นางวิสาขามิคารมานดานี่คือใครก็ประวัติของท่านอดีตเมื่อแสนกับที่แล้วมีอุบาสิกาคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงสถาปนาอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในตําแหน่งอัครอุ ป, ปัฏายิกาของพระองค์จึงทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายทานแก่ภิกษุแสนหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานกระทําความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ตั้งความปรารถนาไว้ว่าในอนาคตขอให้หม่อมฉันเป็นอักขระอุปปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เห็นเห็นอุบาสิกาที่เขาอุบาสิกาที่อุปถักคพระพุทธเจ้าเป็นยอดของอุบาสิกาอักขระเนี่ยแปลว่าเลิศหรือแปลว่ายอดยอดของผู้ที่อุปถักคพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเลื่อมสายอยากจะทําอย่างนั้นบ้างอยากจะอุปถักคพระพุทธเจ้าแบบนั้นบ้าง ทนชาตินั้นยังไงก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เพราะเขามีอัคคระอุปถายิกาอยู่แล้วเนี่ยนะก็เลย อ, น, อนาคตต่อไปเนี่ยอยากจะบํารุงพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็เลยทําบุญตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าก็พยากรเนี่ยนะพยากรณ์ว่าอีกแสนกับนางก็จะได้อุปถากพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคดมเธอก็ท่องเที่ยวเนี่ยนะอยู่ในเท ว, วดาและมนุษย์ถึงแสนกับ ก็เป็นผู้ที่ทําบุญมากนะแม้กระทั่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์กรนางก็ประพฤติโกมารีพรหมจรรย์อยู่สอง0 0ื่นปีสร้างวัดทำบุญเยอะมากเพราะเป็นลูกของพระเจ้ากิงกินี่นะเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิงกิของเมืองพาราสีในกาละของพระพุทธเจ้าของเราฮะนะพุทธการนี้เนี่ยนะนางนี่ถือปฏิสนธิในครันของสุมาณะเทวีในเครือข่าของทนัญชัยเศรษฐี ธนัญชัยเศรษฐีนี่เป็นลูกของเมนทกะเศรษฐีในเมืองพัทยานครก็ในเวลาที่นางวิสาขาเกิดชนทั้งหลายก็ขนานนามนางว่าวิสาขาพระพุทธเจ้านั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะพระองค์ก็สงเคราะ์โปรดเวนยสัตว์แผ่ขายพระยานเห็นเมนทกะเศรษฐีเห็นธนัญชัยเศรษฐีสมณะเทวี แล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยนะที่จะมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลพระองค์ก็ไปสงเคราะห์นั่นนะก็จาริกไปพร้อมกับภิกษุสงหมูใหญ่ระหว่างที่พระองค์จาริกไปนั้นเมนธะากะาเศรษฐีเนี่ยใช้ให้หลานอายุเจ็ดขวบนี้ไปต้อนรับเสด็จฟังแล้วเอ๊ะทำไมให้เด็กไปรับเสด็จแต่นางวิสาขาฉลาดมากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้าฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่นะ วันอายุเจดขวบเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยการเข้าไปเฝ้าครั้งแรกเนี่ยนะไปเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกฟังธรรมเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันอายุเจ็ดขวบเลยนะแสดงว่าสั่งสมบุญมาดีจริงๆ น, นะสั่งสมบุญมาดีจริงๆอายุเจ็ดขวบเห็นอริยสัจได้พนางประชาบดีโคตมีบอกว่ า, าศาสนาของพระองค์เนี่ยนะแม้แต่เด็กหญิงอายุเจ็ดขวบก็ยังเห็นแล้วตอนนี้ มันก็ถือว่าเป็นสมัยพุทธกาลนี่รุ่งเรืองจริงๆเด็กอายุสี่ขวบห้าขวบเจ็ดขวบนี่บรรลุกันละนะหลายท่านก็คือเข้าบรรลุกันเยอะมากอ่ะนะสมัยพุทธกาลตอนหลังอานะ่เอาเธอไปยังคฤหัส่าของปุณณวัฒนกุมารคือนายปุณณวัฒนกุมารเนี่ยเป็นลูกของมิคารเศรีเจ้าคนนี้เนี่ยพอเป็นหนุ่มขึ้นมาก็พ่อแม่ให้แต่งงาน เรื่องมากไม่ยอมแต่งนะนะก็เลยบอกว่าไม่ยอมแต่งนะพอไม่ยอมแต่งก็พ่อแม่ก็เออพ่อแม่รบเร้ามากๆเข้าเขาบอกว่าถ้าหาผู้หญิงที่ครบองค์ห้าได้จะขอจะยอมแต่งเรียกว่าเบนจกาลยานีเนี่ยนะนะเช่นมีวัยงามมีผิวงามมีฟันงามเป็นต้นเนะี่ยเดี๋ยวจะเรียนข้างหน้าจะมีก็เลยให้คนไปสืบดูก็ไปพบนางวิสาขาก็เลยขอแต่งงานอนะไ ะทะจริงนางวิสาขากับปุณณวัฒนกุมารเนี่ยนะนางวิสาขารวยกว่าเป็นเป็นสิบสิบเท่านั่นแหละแต่ก็ก็ให้แต่งแต่งแล้วก็สมัยก่อนนี่ถือโดยมากเขาจะไปอยู่ในตระกูลของสามีไปอยู่ในตระกูลสามีพอไปอยู่ที่ตระกูลของสามีเนี่ยนะก่อนจะไปเนี่ยธนญชัยเศรษฐีเนี่ยสร้าง เครื่องประดับให้นางวิสาขาเนี่ยนะสร้างเครื่องประดับให้นางวิสาขาแล้วก็ส่งสารให้สารประจำตัวเนี่ยไปสิบคนนะแล้วก็ณธนะนัญชัยเศรษฐีก็เป็นผู้ที่โอวาสสั่งสอนลูกว่าลูกเอ้ยถ้าลูกไปอยู่ที่บ้านนั่นนะนะไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นต้นนะนะบอกว่าจงให้แกผู้ที่ให้จงเอ่อจงให้แกผู้ที่ ไม่ให้เป็นต้นเขามีหลักการครองเรือนแต่ที่สําคัญก็คือบอกว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าหมายกับว่าถ้ามีปัญหาเรื่องราวในบ้านก็อย่าไปบอกคนอื่นแล้วเรื่องภายนอกบ้านก็อย่ามาเอามายุ่งในบ้านเป็นต้นเนี่ยนะสั่งสอนลูกไปอย่างดีนามวิสาขาเนี่ยพอไปอยู่ที่บ้านของมิคารเศรษฐีเนี่ยก็ก็นับถือคนละาศาสนามิคารเศรษฐีเขานับถือนักบวชนุ่งลมหมอากาศนะ อีกอีกลัที่หนึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานางก็ไปอยู่บ้านของเศรษฐีนี่ก็อึดอัดไม่รู้จะทํำยังไงใจก็อยากจะทําบุญอยากจะฟังธรรมอยากจะถวายทานนี่ตอนหลังนไนางวิสาขาไปดูถูกนักบวชแก้ผ้านักบวชแก้ผ้าก็สั่งให้เศรษฐีเนี่ยไล่ลูกสะพายหนีไปเถอะก็ไล่ก็ไล่ไม่ได้เศรษฐีก็ไม่พร้อมที่จะไล่ตอนหลังมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะมีวันหนึ่ง นางวิสาขากําลังให้อาหารเรียกว่าบํารุงพ่อสามีฮะสมัยก่อนนั้นโลกสะพายจะต้องทานอาหารหลังพ่อแม่สามีจะต้องไปอุปถากตักข้าวตักนะ้ําเตรียมเรียบร้อยยืนรับใช้จนพ่อแม่สามีทานอาหารเสร็จตัวเองเนี่ยจึงค่อยรับประทานทีหลังเนี่นยนะในมีวันหนึ่งขณะที่กําลังให้อาหารพ่อแม่สามีอยู่นั่นแหละ พระพิสุท่านก็เดินบินฑบาตหน้าบ้านหน้าซุ้มประตูบ้านท่านก็มาทำเนียมพระก็จะมาหยุดยืนสักหน่อยให้ให้เขาเห็นอันนะให้เขาเห็นว่ามีพระพิสุมายืนเพื่อต้องการอาหารนางวิสาขาก็รู้ว่าพ่อสามีไม่เลื่อมใสายไอ้เจะบอกตรงๆเลยก็เดียวพ่อจะโกรธก็เลยชี้นกให้ดูว่านั่นนกนั่นไม้นนะัให้เห็นพระพ่อของสามีก็เห็นแต่ชี้อะไรก็เห็นอันนั้นอนะ่ะแต่ว่าไม่เห็นพระเนี่ยนะเพราะไม่เลื่อมสายนี่ก็ทําเป็นไม่เห็น ไม่สนใจนี่เห็นพระยืนนานแล้วนางก็เลยบอกว่านิมนตไปโปรดข้างหน้าเธอเจ้าข้าว่า้นคุณพ่อกําลังบริโภคของเก่าอยู่นะกําลังกินของเก่าว่าไงแมมพ่อสามีพอฟังอย่างนั้นเนี่ยโกรธมากเลยนะก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่แล้วที่ไม่พอใจลูกสะใภ้มาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้หนักที่สุดเพราะว่าหาว่าเราในกินของเก่าก็เลยบอกว่าไล่ลูกสะใภ้คนนี้ออกจากบ้านวันนี้ว่าไง นางก็บอกว่าดิฉันเนี่ยลูกคนมีตระกูลเวลาจะมาพ่อก็แต่งตั้งเจ้าหนะ้าที่มาคอยดูแลเนี่ยนะมาชำระตัดสินก่อนว่าผิดเรื่องอะไรกันแน่ทำไมจึงให้ไล่ออกจากบ้านานะถ้าชำระเสร็จแล้วจะออกเหมนกนก็เลยมาคดีที่1 2ึ่ ส, สมที่เขาโจทย์นะนับตั้งแต่เรื่องโอวาทของธนัญชัยเศรษฐีที่ให้มา10ข้อที่จะมาแต่งงานแล้วก็เรื่องกลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาไปดูแม่แพะคลอดลูก แนะม่แพะหรือแม่ม้านะคลอดลูกแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเนี่ยมาพูดคําว่าบิดากินของเก่านางก็บอกว่าแก่ที่ว่ากินของเก่าไม่ได้หมายคําว่าอย่างนั้นว่าคุณพ่อเนี่ยที่คุณพ่อมีโภคะมั่งมีที่มีบริโภคมีใช้สอยอยู่นี้เพราะคุณพ่อเนี่ยทามาดีเนี่ยนะเป็นผลของบุญเก่าขณะเดียวกันคุณพ่อก็ไม่ไ ม, ไม่ทเหตุใหม่เมื่อไม่ทาเหตุใหม่ก็เชื่อว่าบริโภค ของเก่าเนี่ยนะลูกก็หมายถึงอย่างนี้พอชำระคดีเสร็จแล้วก็บอกว่าดิฉันจะกลับแล้วนะเนี่ยนะก็ขอขอตัวกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ตามเดิมมิคารเศรษฐีตัวรู้ว่าลูกสะพยไม่มีความผิดก็ขอโทษลูกสะพยว่าพ่อเข้าใจผิดนะก็ขอโทษอย่าอย่าไปเลยเนี่ยนะขอร้องไม่ให้ลูกสะพยกลับก็บอกว่าได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องนิมนต์พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์มาทาบุญที่บ้านได้ นะก็มีขารเศรษฐีนี่ก็ต้องยอมคือเหตุผลที่ยอมเนี่ยหลายเรื่องเพราะนางวิสาขาเนี่ยก็้องงามนะเป็นคนงามเป็นคนมีมาญยา ด, ดีตระกูลสูงร่ํารวยมากเป็นหญิงที่ฉลาดอ่ะนะแล้วก็เป็นผู้ที่พระราชตอนงานแต่งเนี่ยพระราชาไปรับมาด้วยงานแต่งนี่พระราชามาด้วยอะไรด้วยคนใหญ่คนโตทั้งบ้านทั้งเมืองไปหมดพาถ้าจะกลับถ้านางวิสาขากลับเนี่ยนะมีขารเศรษฐีนี่เดือดร้อนโดยประการทั้งปวงเหมือนกนเถอะ ก็เลยให้กลับไม่ได้เพราะให้กลับไม่ได้ก็มีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญที่บ้านก็นิมนต์มาพระพุทธเจ้าพร้อมกับพิสูจน์ส่สงมาฉันที่บ้านขณะที่ถวายอาหารก็ให้ไปเชิญพ่อสามีเนี่ยนะมาประเคนของเป็นต้นทีนี้ไอ้นักบวชนอกาศาสนาเขาก็ประกบประกบพ่อของสามีเลยว่าห้าม ห้ามไม่ให้เข้ามาเนี่ยนะเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปหรอกให้ลูกสะพ้ายทำบุญไปตัวเองก็ไปนั่งอยู่หลังม่านแอบแอบนั่งอยู่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ก็รู้นะจนในที่สุดพระองค์ฉันเสร็จแล้วก็จะฟังอนุโมทนากาถาอ่านะจะแสดงทำให้ฟังหลังจากฉันเสร็จนางวิสาขาก็ให้คนเนี่ยไปเชิญพ่อสามีมาฟังธทำอ่านะนักบวชนอกาศาสนาก็ไม่ยอมให้มาให้นั่งอยู่หลังม่านตามเดิมนั่นแหละบอกว่าพระพุทธเจ้าจงอนุโมทนาไปเถอะ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถึงเศรษฐีคนนี้จะนั่งอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะพระองค์ก็จะแสดงธรรมพอพระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมเสร็จอัอนุปุพพิกถาพ่อของอพ่อสามีของนางวิสาขาบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ก็แหวกม่านมาดื่มนมดื่มนมลูกสะพ้ยเลยเนี่ยนะขอเป็นลูก น, นะสมัครคล้ายๆสมัครเป็นลูกของลูกสะพย หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเรียกนางวิสาขามิคารมาตาเป็นนางวิสาขาแม่ของพ่อผัวอีกทีแม่ของพ่อผัวเคารพมากทีนี้นางก็เขิ น, น่ะนะตอนหลังนางก็เขินได้ลูกชายคนแรกก็ตั้งชื่อว่ามิคาระนะตั้งชื่อลูกเหมือนกับพ่อพ่อสามีซะจะได้ฟังแล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลำบากใจนะก็เลยเรียกว่ามิคารามาตาด้วยเหตุสองประการประการที่หนึ่งก็คือ เศรษฐีเนี่ยดีใจมากว่าลูกสะภ้ยคนนี้มาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขให้ที่อย่างแท้จริงเลยอย่างน้อยก็ได้เป็นพระโสดาบันบรรลุมรรคผลก็ตอนหลังก็ให้ทำเครื่องประดับมีมูลค่าเป็นแสนให้ลูกสะพ้ยอีกนนี่นนทีนี้มีอยู่ตอนตอนหนึ่งนะนางเนี่ยมีเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาทเนี่ยมูลค่าเก้าโกดเนี่ยนะเก้าโกรด แล้วก็นางนี่ก็แต่งตัวเครื่องด้วยเครื่องมหารดาปราสาทนี่ยไปวัดฟังธรรมทีนี้ก่อนจะไปเอ่อก่อนจะฟังธรรมก็ถอดไปวางไว้ก่อนทีนี้ถอดไปวางไว้เนี่ยก็เข้าไปฟังธรรมแล้วก็ออกมาพร้อมกับคนใช้คนใช้เนี่ยลืมเครื่องประดับเอาไว้ก็บอกก็ร้องให้อ่ะนะบอกว่าลืมเครื่องประดับเอาไว้ในวัดนางก็บอกว่าถ้าพระพิสุทธ์จับเครื่องประดับไปแล้วเนี่ยห้ามเอามาคืนห้ามเอามาก็เลย ไปเห็นว่าพระอนุนเนี่ยท่านเก็บไว้แล้วคือในพระวินัยเนี่ยมีธรรมเนียมว่าถ้าเจอของตกหล่นในวัดที่เป็นรัตนะเนี่ยต้องเก็บต้องเก็บเอาไว้ให้เจ้าของถ้าไม่เก็บเนี่ยเป็นอาบัตนี่นะมีนายบัญญัติไว้เลยว่าต้องถ้าอยู่ในบริเวณที่อยู่ของเราเราต้องเก็บไว้ให้เจ้าของเขาถ้าไม่เก็บถือว่ามีความผิดว่างั้นนะแต่ถ้าไปเจอที่อื่นนอกสถานที่อยู่ถ้าไปเก็บมีความผิดผิดเพราะเก็บนะ บางแห่งก็ผิดเพราะไม่เก็บบางแห่งก็ผิดเพราะเก็บเป็นตนเขาก็มีอย่างนั้นนี้พอพระนนทเนี่ยเก็บมาถือแล้วมาเก็บเอาไว้เนี่ยนางก็คนใช้ก็มาบอกมาบอกก็เลยก็เลยถวายเป็นพุทธบูชาทีนี้ถวายเป็นพุทธบูชาพระจะเอาไปประดับยังไงเครื่องประดับนั้นก็เลยประมูลขายก็ไม่มีใครรับซื้อนางก็ขอซื้อเองซื้อแล้วก็เอาซื้อสร้างวัดเนี่ยนะสร้างวัดบุถารามแล้วก็สร้าง จดีเอ่อขอภายสร้างปราสาทปราสาทก็คือสร้างตึกสองชั้นะนะชั้นละห0 0ห้องข้างบน500้ห้องข้างล่าง500ห้องอ่ถวายพระพุทธเจ้าอ่าถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อเป็นที่ประทับและเป็นที่อยู่เป็นที่แสดงธรรมเป็นที่ฟังธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้านั้น25ปีหลัง25ปีหลังเนี่ยคือพระพุทธเจ้ามีพระชนทั้งหมดเท่าไหร่ 4 5พร0ษาใช่ไหมหลังจากตรัสรู้เนี่ยนะโดยมากพระองค์อยู่สองวัดเนี่ยมากที่สุดคือวัดปุปารามกับวัดเชตวันเนี่ยสลับไปสลับมาอย่างนี้นถ้ากลางวันคืนนี้พักที่เชตวันอีกคืนหนึ่งจะไปพักที่ปุปารามสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยสองตระกูลนี้ถือว่าเป็นตระกูลหลักเนนะเพราะว่าเป็นอักษรอุปถากกับอักรอุปถายิกาที่ดูแล พระพุทธเจ้าพระพิสุสง์เนี่ยสําคัญว่าดูแลพระพิสุสง์เป็นพันๆรูปเนี่ยนะเพราะว่าที่บ้านของอนาถกับบ้านของนางวิสาขาเนี่ยเลี้ยงพระพิสุสงเนี่ยเป็นปกติก็คือวันละพันรูปเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะอาสนะตั้งไว้เลยประมาณพันที่พระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์สองตระกูลนี้ให้สองตระกูลนี้ได้ฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อ พระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่วัดปุปพารามอย่างนี้มีวันหนึ่งญาติของนางวิสาขาก็ส่งสิ่งของที่วิจิตไปด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้นเนี่ยนะจากเมืองพัทยานครเนี่ยมาที่เมืองสาวัตถีทีนี้พอส่งขึ้นมาก็มาถึงประตูเมืองพวกเก็บสวยก็ผ่านสุลกากรผ่านด่านทีนี้พวกเจ้าหน้าที่สุลกากรก็เอาไปเก็บไว้เนี่ยนะไม่ยอมคืนให้ เอาไปเก็บไว้ทีนี้การเก็บก็เก็บเอาเกินไปอะนะนางวิสาขาได้ฟังเรื่องนั้นก็เลยจะไปทูลความนั้นแก่พระราชาให้พระราชาได้ฟัง น, นะคือจะไปเล่าเรื่องนี้ถวายพระราชาพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลกับนางวิสาขานี่ถือว่าเป็นคุ้นเคยกันเนะเป็นคุ้นเคยกันแต่ว่าบางช่วงนี้เข้าเฝ้าได้ยากเพราะว่าบางช่วงนี้พระราชาก็เข้าแต่วังในเลยะไม่ยอมออกมาเลยนะ เข้าไปวังในพร้อมด้วยพนางมาริกาเทวี TV, อยู่แต่ในตำหนักนางวิสาขาเข้าไปวันที่1ก็ไม่พบไม่มีโอกาสพบไม่มีใครกล้าไปแจ้งพระราชาเห็นไหมแต่ละวันที่สองไปก็ไม่พบพันก็เลยอันน่างไปแล้วก็ขาดขาดการทานอาหารตั้งหลายมือ้อเหนไไปแต่ละครั้งก็ไปอดอาหารเห็นไหมขาดบริโภคอาหารแล้วก็เลยเวลาบริโภคแล้วก็หลีไปนี่อีกวันหนึ่งไปอย่างเงี้ยสอาวัน ก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้าพระราชากราบทูลให้ให้พระราชาเนีทราบเพราะฉะนั้นเรื่องก็เลยไม่สําเร็จสากทีหนึ่งนางวิสาขานั้นมีความประสงค์จะถวายสวยอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชาแก่พระราชาแล้วสละสิ่งของพวกนี้ตามประสงค์คือจริงๆก็ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยถวายพระราชาเหมือนกันแต่ว่าพระราชาก็ยังไม่พิจารณาเพราะพระราชายังไม่รู้เรื่อง นนะ่ะถ้าพระราชารู้เรื่องก็เอาเอ า, เอาเรื่องมาชำระก็นิดเดียวนะเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ทีนี้ว่าไปก็ไม่ยอมเจอนะธุร ะ, ะมีธุระแก้ไม่ยากแต่ว่าไม่ยอมเจอกับคนที่เขาแก้ธุระได้ก็เลยลำบากนะันพอถึงกลางวันก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเที่ยงเลย บอกว่าแสดงเนื้อความนิถวายพระพุทธเจ้าว่าหม่อมชันไปยังประตูพระรา ช, ชินิเวศสองสาวันในเวลากลางวันด้วยกรณียกิจบางอย่างเข้าไปหาโดยไร้ประโยชน์ทีเดียวเพราะความนั้นน่ะยังไม่ตกลงไม่ได้งานเลยนะสามวันแล้วแต่การเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นน่ะมีประโยชน์เพราะเป็นเหตุให้ได้ทัศนานุตริยาได้เห็นบุคคลอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสนะได้ฟังคําสอนอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ได้มีการศึกษาได้มีการปรนิบัติรับใช้ได้มีการตามระลึกเรียกว่าอนุตริยะนนะการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นการเข้าไปเฝ้าหรือการเห็นในสิ่งที่หาอย่างอื่นเปรียบปานไม่ได้ก็เลยพระพุทธเจ้านี้ฟังเรือ่อเรื่องราวทั้งหมดนะนะเรื่องราวเกี่ยวกับนางวิสาขาเนี่ยไปธุระไปงานไปแล้วก็ไม่สําเร็จงานสักทีหนึ่งพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานนี้ แสดงถึงโทษของการเข้าไปอาศัยผู้อื่นและอ น, นิสงค์ของการไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่นบัน น, บนาบทเหล่านั้นบทว่าสับพังปรวาสังทุกขังความว่าอัตถะคือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นไปในอำนาจของคนอื่นคือเนื่องกับคนอื่นนี้จัดว่าเป็นทุกข์คือนำทุกข์มาให้ก็ทุกอย่างะนะถ้า ไปอยู่ที่มือคนอื่นไปหมดเลยมันจะไปสนุกได้ยังไงใช่ไหมมันก็ลำบากใจอึดอัดใจเพราะอะไรเพราะไม่อาจให้สําเร็จตามความปรารถนาของตนนะอย่างงานของเราแต่อยู่ในมือคนอื่นเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าอย่างกรณีของนางวิสาขาก็ติดต่อก ร, ราชการไปครั้งที่หนึ่งก็ไม่ได้งานไม่้าปครั้งที่สองก็ไม่ได้งานหลายๆหลายๆคนที่ไปลักษณะาชาวชนบทเนี่ยนะไปติดต่อ ง, งานที่อําเภอที่อะไรเป็นต้น บางทีก็กลับมาตัวเปล่าไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความลําบากะนะครับประโยชน์ทั้งหลายก็ตามทุรนอะไรก็ตามสิ่งนั้นถ้าจะต้องพึ่งคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเนี่ยนะาแหมลําบากใจขนาดไหนใช่ไหมบทว่าสัพพังอิสรยังสุขขังความว่าความเป็นใหญ่นี่มีสองอย่างคือความเป็นใหญ่ในระดับโลกิยะกับความเป็นใหญ่ที่เป็นโลกุตระที่บอกว่าไอ้ ความเป็นใหญ่หรือความเป็นอิสระเนี่ยเป็นความสุขนะอิสระผู้มีอิสระเรียกว่าเสรีชนนีนะผู้มีอิสระเนี่ยนะเพฉะนั้นการมีอิสระนี่ชื่อว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนี่การเป็นอิสระนี่มีอยู่สองอย่างคืออิสระแบบโลกิยะกับโลกุตระอิสระที่เป็นโลกิยานี่นะคือเป็นใหญ่แบบโลกิยะก็คือถ้าเป็นสายการครองชีพก็เป็นพระราชาพระราชาที่เป็นใหญ่ปกครองด้วยสมบูรณ์อาณายาสิทธิราชเนี่ยนะ มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่พระองค์หมดเลยอันนี้ไอ้ความเป็นใหญ่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นความสุขใช่ไหมเพราะคิดจะทำอะไรคิดจะอะไรก็สาเร็จสมประสงไปหมดอันนี้ผู้ที่มีความเป็นใหญ่ลักษณะตาแหน่งพระราชาเป็นต้นก็ถือว่าเป็นใหญ่ในการปกครองแล้วก็เป็นใหญ่แห่งจิตนะใหญ่คือมีความเป็นใหญ่เนื้ออำนาจจิตก็คือการ ฌานเนี่ยนะผู้ที่ได้ฌานนี่ถือว่าเป็นผู้มีความเป็นใหญ่เนื้ออำนาจจิตเพราะจะเข้าฌานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แต่อย่างคนที่ชำนาญในฌานเนี่ยนะพ ร, พร้อมที่จะเข้าฌานก็ได้เข้ากลางวันเข้ากลางคืนเข้าปฐมยามเข้าเวลาไหนก็เข้าได้หมดเลยพวกนี้ก็ชื่อว่า n, เ, า n, เ, า n, เา n, ป am, ็ n, ๆๆนผู้ที่ <ๆ S 2> เป็นใหญ่หรือผู้ที่ได้อภินญาฝ่ายโลกิยะได้อภินญาเหาะได้เป็นต้นเนะี่ยนะพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นอิสระเนี่ยนะเป็นอิสระ สรุปว่าผู้ที่ทํางานทั้งหลายเนี่ยนะเป็นพระราชาชื่อว่าเป็นอิสระชนใช่ไหมทำอะไรก็ได้แต่ในเรื่องของจิตใจนั้นคนที่ได้ฌานอภิญญานี่ชื่อว่าเป็นอิสระเพราะครอบงํำอกุศลได้โดยประการทั้งปวงแล้วก็มีอํานาจเหนือจิตใจของตัวเองเนี่ยนะส่วนความเป็นใหญ่ฝ่ายโลกุตระได้แก่เป็นใหญ่ด้วยอํานาจแห่งนิโรด <c oughs> นิโรดคือพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานนั้นจะเข้าถึงได้ก็เพราะอะไรเพราะการบรรลุมรรคผล เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเพราะการบรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นเครื่องหมายให้ได้เข้าถึงพระนิพพานพูดถึงในความเป็นอิสระเป็นเสรีชนเนี่ยนะเป็นอิสระทั้งโลกิยะโลกุตระเหล่านั้นเนี่ยความเป็นอิสระความเป็นใหญ่ในมนุษย์มีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นที่สุดหมายคําว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าใหญ่ที่สุดถ้าเป็นอธิบดีแห่งหมู่เทพนะจาตุมดาวดึงนั้นอ่ะมีเท้าสกะเป็นใหญ่ ชัญนามามีเท้าสุยามเป็นใหญ่อสุสิตมีเท้าสันดุสิตเป็นใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นใหญ่นะพบนั้นๆเนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นอิสระใช่ไหมทั้งสองอย่างนั้นนะคือความเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์หรือความเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาแม้ถ้าชื่อว่าเป็นความสุขเพราะมีสุขเป็นเครื่องหมายคือเป็นนิมิตโดยสําเร็จตามความปรารถนาด้วยอนุภาพแห่งกรรมนะเพราะผลแห่งบุญน่ยนะ ความที่เป็นผู้มีบุญเก่าทำให้เกิดเป็นพระราชาเป็นผู้เป็นใหญ่แต่ถึงกระนั้นจะชื่อว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงโดยประการทั้งปวงก็หาไม่เพราะเป็นทุกขโดยมีความแปรปรวนไปเพราะเป็นวิปริณามทุกข์ความสุขเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นของจรังยั่งยืนอะไรเมื่อเป็นของไม่ยั่งยืนก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ด้วยนะ อันั้นความเป็นพระราชาเที่ยงไหมอย่างงี้ยนะไอตอนที่เสวยราชสมบัติอยู่เนี่ยนะตอนที่เป็นจักรพรรดิสมบัติอยู่ก็เชื่อว่ามีความสุขใช่ไหมตัวเองมีอํานาจมีอะไรทําได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดเลยและสิ่งเหล่านี้ยั่งยืนไหมวันที่ออกจากตําแหน่งละ่ะกะสบายใจไหมวันที่จะต้องตายหนีจากสมบัติเหล่านั้นเนี่ยนะพันโลกไม่เป็นใหญ่จําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปถ้าจะต้องจากสิ่งที่เคยมีมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะ ถามว่ามีความสุขไหมก็ชื่อว่าเป็นความทุกข์เท้าสักกะเนี่ยนะท้าสักกะพอตอนที่รู้ว่าตัวเองจะต้องเคลื่อนหรือจุติจากพระจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเครียดมากเลยนะเทวดาวนี่เครียดมากเพราะอีกเจวันตัวเองจะตายเนี่ยเจ็วันแบบมนุษย์นะก็คือไม่กี่ไม่กี่นาทีของดาวดึงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีตัวเองจะต้องตายแล้วมันเครียดตลอดเลยนะทำยังไงดีก็เลยเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้า พอฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปฏิสนธิเป็นเท้าสักะองค์ใหม่แต่ถ้าไม่เป็นพระโสดาบันอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่รู้คติต่อไปพบต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะนนั้การเป็นเท้าสักะเนี่ยนะเป็นต้นถึงจะเป็นความสุขมีอํานาจหลาอย่างตามที่ตัวเองต้องการหมดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรเลยอํานาจทั้งหลายไม่ใช่เป็นของยั่งยืนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้น ถ้ากล่าวตามตามเหตุผลที่เราฟังทำเนี่ยนะในสังสารวัตรอันยาวนานมีอะไรบ้างที่เราไม่เคยเป็นแล้วอการเป็นเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ไหมก็ไม่อยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนสมบัติในโลกเป็นของที่ไม่ยั่งยืนอะไรก็เรียกว่าเป็นวิปรินามทุกเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะถึงความเปลี่ยนไปอันหนึ่งความเป็นใหญ่ทางจิตอันเกิดจากโลกิยชาน เชื่อว่าไม่เป็นสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนะฌานเนี่ยเพราะมีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดฌานทั้งหลายก็ไม่เที่ยงนะคือถ้าวัดในระยะยาวๆแล้วเนี่ยไอการได้ฌานฌานทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนี้พูดแบบสูงสุดเข้าไว้นะถ้าเทียบกับระดับโลกุตระเนี่ยฌานทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราใช่ไหมพันชานทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนอะไรส่วนความเป็นใหญ่แห่งนิโรธคือพระนิพพานเท่านั้นน่ะชื่อว่ามีความสุขที่แท้จริงเพราะผู้ที่บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้ง8นะจะไม่หวั่นไหวในลาบเสื่อมลาบไม่หวั่นไหวใน ยศไม่หวั่นไหวในความเสื่อมยศไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญไม่หวั่นไหวในความสุขความทุกข์ทั้งมวลสรุปว่าไม่หวั่นไหวในธรรมประจําโลกทุกชนิดเพราะพระนิพพานนั้นนะนะไม่มีการหมุนกลับเป็นสภาวะสภาวะของพระนิพพานเนี่ยไม่หมุนกลับมาหาสังสารทุกขเพราะว่าพระนิพพานเป็นที่สงบทุกพระนิพพานเป็นที่ดับทุกนั่นผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานตรัสรู้นิพพานเนี่ยจึงเป็นอิสระที่แท้จริง ความเป็นใหญ่คือความเป็นอิสระที่แท้จริงพ้นจากวัตตะการวนเวียนเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบทุกข์เป็นธรรมที่ดับทุกข์ในที่นี้พระพุทธเจ้าหมายเอาความสุขทางใจที่ได้โดยไม่เนื่องกับสิ่งอื่นในทุกสถานหมายถึงว่าเป็นความสุขที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะเป็นความเป็นอิสระที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นจึงชื่อว่าเป็นอิสระที่ที่แท้จริงเป็นอิสระที่สูงสุดเนี่ยนะ สรุปว่าประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอยู่กับผู้อื่นเป็นทุกขนะ์แต่ความเป็นอิสระความเป็นใหญ่นี้เป็นเป็นสุขเพราะนันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจึงสแสวงหาอำนาจทั้งหลายก็เพราะว่าตัวเองจะได้เป็นใหญ่และจะได้สบายนะนะแต่ว่าความเป็นใหญ่ทั้งหลายเขาไม่รู้รอกว่าถ้าเป็นใหญ่ในโลกโลกยะโลกทุโลกเนี่ยนะนะโดยมากเนี่ยสแสวงหามันก็ทุกข์อยู่แล้ว รักษาในทุกวันนี่ยนะก็รักษาทั้งหลายก็เป็นความทุกข์บทว่าสาธารณีวิหันยันตินี้อธิบายว่า เ, าเป็นตัวขยายขยายว่าสับพังปรวาสังทุกขังว่าประโยชน์ทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจของผู้อื่นเนี่ยนำความทุกข์มาให้อธิบายว่าเมื่อประโยชน์ทั่วไปที่จะพึงให้สำเร็จมีอยู่สัตว์เหล่านี้ชื่อว่าเดือดร้อน คือถึงความคับแค้นลําบากเพราะไม่สําเร็จตามความประสงค์เหตุประโยชน์นั้นเนื่องด้วยผู้อื่นอะไรก็ตามถ้าต้องรอผู้อื่นก่อนนะหิวข้าวก็ต้องรอคนอื่นเข้ามาก่อนนะจึงจะทานได้ถามว่าสนุกไหมเราไม่สนุกอนะ่ะตัวเองหิวอะ่ะแต่ต้องรอคนที่ไม่หิวมาทานด้วยอย่างเงี้ย น, นะลำบากใช่ไหมก็ทุกเรื่องอะนะทุกเรื่องที่มันต้องต้องอยู่ที่คนอื่นทั้งหมดเนี่ยแหมมันลําบากมากเป็นเรื่องที่สํานวนมาเครียดเลยนะ แล้วก็ผลประโยชน์ใหญ่ๆด้วยแล้วนะการประกอบอาชีพถ้าอาชีพของเราต้องเนื่องด้วยผู้อื่นจะเป็นยังไงถ้าเราเหมือนกับว่าเป็นลูกจ้างมันก็เหมือนกับว่าแล้วแต่นายอ่ะนะแม้กระทั่งคนที่เป็นนายอีกถ้ายังธุรกิจยังต้องประกอบกับหุ้นส่วนอีกหลายเจ้าเนี่ยมันก็ประคอยลําบากใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรก็ตามถ้ายังเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นท่านบอกว่าเป็นความทุกข์เพราะเพราะแล้วแต่คนอื่นถ้าคนอื่นเขาเขาไม่เอาด้วยเมื่อไหร่ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะนะทุกข์อีกแล้ว ถามว่าพระฮิไรยต่อว่าเพราะกิเลสเครื่องประกอบนีๆๆๆ inside, ๆ้มันล่วงในยากนะที่ที่มันมันเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นทุกข์เพราะว่ามันกิเลสที่มันไปประกอบไปผูกพันไอ้พัวพันเนี่ยละยากมากอธิบายว่าเพราะเหตุที่การโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะเครื่องประกอบคือกามเครื่องประกอบคือพบเครื่องประกอบคือมิจฉาทิฏฐิเครื่องประกอบคือการไม่รู้อริยสัจอันบุคคลให้เกิด มีเนี่ยตลอดการเบื้องต้นหาไม่ได้หมายคาะว่าปล่อยให้กิเลสเหล่านี้มันเกิดมาตั้งแเมื่อไหร่ไม่รู้ได้เหตุได้ปัจจัยกิเลสเหล่านี้ก็เกิดพอกิเลสเหล่านี้เกิดแล้วละได้ยากล่วงได้ยากเพราะผู้ที่ไม่ได้สั่งสมกุศลสม่านมาไม่สา ม, มารถที่จะละได้นะตรงนี้เห็นชัดนะว่าถ้าคนไม่ได้สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่จะละสมุทัยสัตว์ได้ง่าย กิเลสเนี่ยบอกว่ากิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรละบาปอากุศลเป็นสิ่งที่ควรละละไม่ง่ายหรอกถ้าไม่ได้สั่งสมบุญมาเพราะการให้ทานการสมาทานศีลเป็นต้นเนี่ยนะแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อการละเพราะอาริยมรรคุศลทั้งหลายเป็นคุณธรรมที่เป็นเหตุละบาปละอกุศลเหล่านี้ถ้าไม่มีบุญจริงๆจะไปละบาปละอกุศลได้อย่างไรมันกิเลสควรละสิละสิละ ส, ละสิเอาอะไรมาละละ่ะ ไม่ใช่จะละง่ายๆนะไม่ใช่จะละง่ายๆเหมือนกับป่วยไข้ก็บอกก็เลิกป่วยซะสิเมื่อไหร่คุณจะหายป่วยเลิกป่วยซะทีต่ถ้าไม่ไม่มียาดีจริงเนี่ยก็ยากที่จะหายได้ฉันใดบาปอากุศลทั้งหลายไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะละได้ง่ายๆไม่สั่งสมบุญมาละบาปไม่ได้หรอกนะก็ฉะนั้นการละบาปนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีมีบุญคนที่สั่งสมบุญมา ถ้าจะละบาปโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งวาสนาก็ต้องสั่งสมบุญเท่าพระพุทธเจ้าถ้าจะละบาปคือสาการยติฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามานต้องปฏิบัติคุณธรรมคู่ควรแก่การเป็นพระโสดาบันังนั้นการที่สั่งสมบุญอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยบุญเต็มเปี่ยมแล้วจึงจะละบาปได้ยกตัวอย่างทิฐิโยคะเนี่ยนะมิจฉาทิฐิเนี่ยละได้ด้วยโสดาปฏิมัต กามโยคะเนี่ยความผูกพัวพันในกามเนี่ยละได้ด้วยอนาคามีมักต์ทิภวะโยคะกับอวิชายโยคะเนี่ยละด้วยอรหัตตมัตต์ถ้าไม่สั่งสมบูรณมาเนี่ยโซดาปฏิมัติจะเกิดได้ไหมสะกะทาคามีมักต์อนาคามีมักต์จะเกิดได้ไหมเพราะเวลาเราให้ทานเนี่ยนะหลายท่านเวลาให้ทานเนี่ยควรให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นปัจจัยให้อริยมัติเกิด รักษาศีลก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้อริยมรรคเกิดโสดาปติมรรคเกิดเนี่ยนะเจริญสมถาวิปัสสนาก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้โสดาปติมรรคเกิดการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานั่นแหละคือการเจริญกุศลการเจริญกุศลเหล่านั้นนะ่ะน้อมไปเพื่ออริยมรรคพันธ์การเจริญสติเขาจึงบอกว่าเองนไป เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละกั้นการเจริญสติเจริญธรรมวิจยะเจริญคุณธรรมทุกประการการเจริญนั้นๆต้องน้อมไปเพื่ออริยมรรคเกิดขึ้นฉนั้นคนที่สั่งสมกุศลอย่างมากสั่งสมกุศลเยอะตั้งอุปนิสัยจึงจะได้บรรลุมรรคผลไอการบรรลุอริยมรรคนั่นแหละจึงจะเป็นตัวที่กําจัดกิเลสถ้าอริยมรรคไม่เกิด กิเลสละไม่ได้หรอกเนี่ยนะอะไรจะยากเท่าละกิเลสอีกแล้วไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เพราะว่าผู้ที่ละกิเลสได้ผู้นั้นก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อ่า น, นะความไม่สบายใจละง่ายมอ่า น, นะอะไรจะแก้ยากเท่ากับความไม่สบายใจใช่ไหมอ่านะเดือดพวางคนเนี่ยไปทําอะไรตะอนตะอนตะอนเดือดร้อนแทบตายก็เพราะถ้าทําเสร็จแล้วคิดว่าตัวเองจะสบายใจเนี่ยนะไม่ปัญหาทางความคิดเนี่ยแก้ยากมากนั้นแต่ว่าโดยมากถ้าวิธีการในโลกนี้แก้ไม่สําเร็จ แต่ถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนจะกําจัดความเศร้ามองแก้ความลําบากใจได้อย่างสําเร็จโยคะทั้งสี่เหล่านี้คือการโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชายาโยคะเนี่ยชื่อว่าล่วงได้ยากเพราะอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยทำให้เกิดก็ยากบรรลุยากทําไมอริยมรรคจึงบรรลุยากเพราะต้องทาบุญมากจึงจะบรรลุอริยมรรคได้ ทำบุญมากเนี่แปลว่าอะไรเสียงเงินมากบุญทำบุญมากไม่ได้แปลว่าหมดมหาพูดไปมากแต่หมายคาอว่ากุศลจิตเกิดมากเกิดจนสมควรกุศลจิตเกิดคู่ควรแก่การบรรลุอริยมรรคนั่นแหละเพราะนั้นกุศลจิตที่คู่ควรแก่อริยมรรคจะเกิดทําง่ายไหมก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าเดือดร้อน เพราะเหตุที่ตัวเองไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาด้วยอำนาจการ ม, มโยคะเป็นต้นพอตัวเองตั้งความปรารถนาใช่ตัวเองอยากได้มันไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้อะไรเกิดขึ้นสนุกไหมนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยนะก็ทุกนะอยากแล้วก็ไม่ได้สัทีเช่นหิวข้าวแล้วไม่มีข้าวให้กินเนี่ยนะสบายใจไหอย่างน้นป่วยแล้วอยากหายนั้ไม่ยอมหายสากักทีนี่ก็นี่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหม นัดใครแล้วก็อยากให้เข้ามาเร็วๆเขาไม่มาสักทีนี่ก็เป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่มาแล้วมันเสียหายด้วยเนี่ยเนี่ยเขากยิ่งรู้ว่าเขาไม่มาอีกทุกข์อีกเป็นต้นไปหาใครแล้วก็ไม่ไม่พบอย่างที่ตัวเองต้องการก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการโยคะทั้งหลายเนี่ยปรารถนาแล้วไม่สมหวังนี่ก็เป็นเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็ทิฏฐิเอ่อภวะโยคะเนี่ยนะปรารถนาจะเกิดในสวรรค์นั้นมันไปเกิดในอาบายถามจะมีความสุขไหมมันก็ทุกข์อีกนั่นแหละนะ มิจฉาทิฏฐิก็ไม่ใช่จะละง่ายๆนะมันมิจฉาทิฏฐิก็ล่วงได้ยากละได้ยากอะไรจะแก้ยากเท่าความเข้าใจผิดความหลงผิดความเข้าใจผิดเนี่ยนะมันแก้ยากมากเลยเหมือนกับคนหลงทิศเนี่ยนะมองที่ตะวันออกเป็นที่ตะวันตกแก้ง่ายๆไหมอันนั้นถ้าเข้าใจทิศผิดนะสมมติว่าเกิดเราเข้าใจว่าทางเนี้ยคือทิศตะวันตก ท, ท, ทั้งๆที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นทางนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเนี่ยคือทิศตะวันออกนี้ตะวันตกถ้าดวงอาทิตย์มันขึ้นอีกตรงกันข้ามเราจะทํายังไง ใจมันก็ไม่ยอมความจริงก็รู้นะว่ามันขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไอ้หลงทิศเนี่ยนะก็ละยากฉันใดมิจฉาทิฐิละยากยิ่งกว่านั้นอีกนะละยากมากเพราะคนที่หลงทิศเนี่ยนะแก้ด้วยเหตุผลหลายๆประการก็ละความเข้าใจผิดในทิศได้แต่มิจฉาทิฐิเนี่ยละยากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะปัญธาข้อปฏิบัติที่ อริยมรรคไม่เกิดหรือไม่เจริญวิสุทธิทั้งหลายไม่เป็นนักวิจัยไข้ครวญเหตุผลอย่างเพียงพอจริงๆนี้ยากที่จะละมิจฉาทิติความรู้ผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดไปได้เพ้นไอ้กิเลสเนี่ยมันมันล่วงยากมากโดยเฉพาะอาวิชชายโยคะเนี่ยละยากจริงๆนะจะละความมืดให้เป็นความสว่างเนี่ยนะอย่างคิดง่ายๆถ้าใครที่ไปอยู่ในป่าที่มืดมิดเลยเนะี่ย จะอยู่ตรงนั้นแล้วลองทําแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นี่จะใช้วิธีใดทําให้มันสว่างขึ้นใจของเราที่มากไปด้วยความมืดมิดเนี่ยนะมากไปด้วยความมืดมิดเนี่ยแก้ปัญหายัางไงให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นความไม่รู้อริยศาสตร์นี่ชื่อว่าเป็นความมืดยิ่งกว่าความมืดทั้งหลายเป็นหิวที่ลึกยิ่งกว่าหิวทั้งหลายแล้วแก้ยังไงให้มันเกิดความรู้ขึ้นให้เห็นอริยศาสตร์ได้ดังนั้นพระองค์บอกว่า การล่วงกิเลสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทํายากเนี่ยนะนะอธิบายว่าก็เมื่อความเป็นใหญ่แห่งจิตและความเป็นใหญ่แห่งนิโรธมีอยู่แม้ในการไร่ไรความคับแคนก็เกิดไม่ได้ยากแต่ถ้าปฏิบัติสําเร็จนะบรรลุอริยมรรคทั้งหลายทำโสด เ, เจริญโสดาปฏิมคสกธ า, าคามีมรรคอนาคามิมรรคจนถึงอรหั ต, ตมรรคจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์บรรลุพระนิพานแทงตลอดอริยสัตว์ แม้ในการรายๆความขับแค้นก็ไม่เกิดเคยเห็นพาาระอรหันต์ท่านบนเครียดจริงๆลําบากใจเหลือเกินทุกมากทุกจริงๆไม่มีใช่ไหมมีแต่ว่าพระอรหันต์อยู่ในบ้านก็มีความสุขอยู่ในป่าก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้ทุกไม่มีแล้วสําหรับท่านทุกเพราะกิเลสก็ไม่มีทุกเพราะวัตตะในต่อไปก็ไม่มีดันั้นพระอรหันต์จึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุข อีกในหนึ่งเนี่ยนะสพังปรวาสังความว่าประโยชน์กล่าวคือความเป็นไปของตนเนื่องด้วยผู้อื่นและผู้อื่นเนื่องด้วยกับตนนั้นชื่อว่าเป็นเหตุนําทุกขมาให้เพราะมีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะดังที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ อ, อย่างเช่นสิ่งใดก็ตามถ้าเราเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นเนี่ยเราถือว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมและผู้อื่นต้องเกี่ยวเนื่องคอยแต่เราอย่างเดียวถามว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เช่นเรามีลูกใช่ไหมลูกมันช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยเราจะต้องไปประครบประงมตลอดเวลาเนี่ยถามว่าลูกจะทุกข์หรือเราเราทุกข์ด้วยไหมทั้งสองคนเนี่ยทุกข์ไหมก็ทุกข์ทั้งคู่นั่นแหละอะไรก็ตามเหมือนกับว่าถ้าขาดเราแล้วมันไปต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุกข์มันประโยชน์จะเนื่องกับเราก็ตามเนื่องกับเขาก็ตามก็ชื่อว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะบางคนเนี่ยนะจนเรียกว่ามีความสามารถจนออกลาออกไม่ได้เลยนะเพราะถ้าออกเมื่อไหร่หมายถึง ล่มสลายณนะที่ระนั้นเพราะอะไรก็ต้องตามอาศัยบุคคล น, นั้นก็เชื่อว่าเป็นทุกข์เนั้นประโยชน์จะเนื่องด้วยตนก็ตามเนื่องด้วยผู้อื่นก็ตามสรุปว่าทุกข์นันะวันไหนที่หิวข้าวแล้วไม่มีแม่ครัวอยู่บ้านเลยไม่มีใครทํากับข้าวเป็นเลยนันะหิวก็หิวต่อไปเถอะแล้วถ้าเราเป็นแม่ครัวเนี่ยนะแล้วคนเราไม่อยู่บ้านสักคนเดียวคนอื่นนี่เป็นไงหิวหมดเลยใช่ไหมหรือกระเป๋าสตางค์อยู่ที่เราอย่างนี้ใช่ไหม แล้วคนอื่นเขาไปเที่ยวเราไม่ได้ไปด้วยเนี่ยคนอื่นจะทุกข์ขนาดไหนงนั้นสรุปว่าทุกอย่างประโยชน์เนี่ยมันจะยูนด้วยตนก็ตามอยู่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ตามนี่ก็เป็นทุกข์หรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามถูกยึดเอาไปก็เป็นเป็นทุกข์ของทั้งหลายเนี่ยนะหายไปโจรเอาไปก็ชื่อว่าเป็นทุกข์มันประโยชน์อะไรก็ตามถ้ายังเกี่ยวเนื่องกับตนก็ตามเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นก็ตามก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ S <S เพราะเหตุผลก็คือสิ่งนั้นไม่ได้มีความยั่งยืนไม่ได้แน่นอนอะไรหรอกไอ้ไม่เที่ยงก็คือมันไม่แน่นอนนะนะมันมีความเปลี่ยนไปเสมอทุกอย่างในโลกไม่เป็นอย่างที่หวังรอเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยหวังไว้อีกอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเนะี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมเพราะมูสัตว์นั้นเป็นอย่างนั้นโดยมากสัตว์ทั้งหลายจะหวังไม่ตามจริงไม่หวังตามความเป็นจริงหวังว่ามันน่าจะเที่ยงอันนั้นคือความหวังของสัตว์ใช่ไหม หวังว่าจะสบายหวังว่าจะเป็นสุขหวังว่าตัวเองจะเป็นผู้มีอำนาจจัดการได้แต่เมื่อตรงกันข้ามอะไรจะเกิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความคิดใดก็ตามที่ขัดต่อความเป็นจริงขัดต่อศธรราขัดต่อความเป็นจริงความคิดนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มากแต่ถ้าความคิดใดที่อนุวัตต่อสภาพที่เป็นจริงไม่ขัดแย้งต่อหลักแห่งความจริงความคิดอันนั้นเป็นเหตุให้เกิด ความสุขความเห็นใดอย่างเฉพาะโดยเฉพาะวิปั ส, สนาเรียกว่าอนุโล ม, มขันติยามเนี่ยนะอนุโล ม, มขันติเป็นการอนุโลมต่อความเป็นจริงอะ่ะทั้นวิปั ส, สนานั้นถ้าใครเจริญถูกเจริญอย่างถูกต้องจริงๆไม่ได้ทุกนะเพราะอะไรเพราะเป็นความเห็นที่สอดคล้องต่อหลักความเป็นจริงหมดเมื่อทุกอย่างเข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงหมดแล้วเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องเขาจะมีความสุขขนาดไหนท่้นคนที่เจริญวิปัสนานี่คือผู้ที่ จเจริญเหตุแห่งความสุขนั่นเองบทว่าสัพพังอิสรยังความว่าพระนิพพานอันเป็นที่สลัดออกจากสังคตะธรรมทั้งปวงสรนะุปนะสาระของนิพพานเนี่ยหลายๆท่านที่เรียนอภิธรรมมาว่าพยายามจำไว้ให้ดีว่านิพพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากสังคตะธรรมเพราะว่าถ้าเรียนไม่ดีนี่กลายเป็นว่ า, าธรรมะมีสองอย่างสังคตะกับ อสังคตสังคตะคือจิตเจตสิกรูปอสังคตะคือนิพพานจิตเจตสิกรูปคือแล้วก็จากระจายไปกระจายมานิพพานคืออะไรนิพพานคืออสังคตะไม่มีอะไรไม่มีจิตเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยแล้วมันดียังไงนะมันถ้าศึกษาไม่ดีนั้นเข้าใจผิดแต่ถ้าศึกษาให้ดีๆรู้รว่าพระนิพพานเป็นที่สลัดออกจากสังคตะสังคตะนี่เดือดร้อนนิพพานที่สลัดออกจากสังคตะนั้นเยือกเย็นนะ สังตะนั้นเป็นไปกับชาติชารามรณะนิพพานเป็นที่สลัสดออกจากสังตะนั้นดับชาติชาราและมรณะพระพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณเป็นสิ่งที่มีคุณมาก น, นะคุณแห่งพระนิพพานเนี่ยมียิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้ายัางบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บูชาพระนิพพานเคารพพระนิพพานแสดงธรรมทั้งหมดประชุมลงที่พระนิพพานเนี่ยนะมีอมตะนิพพานเป็นที่สุดในการประกาศธรรมของพระองค์ พระองค์นเครพบูชามากเพราะนิพพานเป็นธรรมชาติที่สลัดออกจากสังขตะธรรมเพราะผู้ที่บรรลุพระนิพพานชื่อว่าเป็นอิสระเป็นเสรีชนจริงๆเป็นคนที่เป็นอิสระต่อสังขารธรรมจิตใจไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของสังขารใดๆเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นใหญ่เพราะใครบรรลุนิพพาน้จะเป็นใหญ่เป็นเสรีชนเป็นอิสระชนเป็นชนที่เลิกทุกข์เนี่ยนะ นิพพานนั้นถ้าแยกไปแล้วก็เป็นสัพปาที่เสศานิพานกับอนุปาที่เสศานิพานผู้ที่บรรลุพระนิพพานเนี่ยนำมาซึ่งความสุขพระองค์ตรัสว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะผู้ใดบรรลุพระนิพพานผู้นั้นจะประสบแต่ความสุขเนี่ยนะประสบแต่ความสุขปฏิบัติเพื่อความสุขโดยส่วนเดียวอันเวลาเจริญกุศลเนี่ยถึงเราจะตอนนี้ยังไม่บรรลุก็ตั้งความปรารถนาว่ากุศลเหล่านี้ จงเป็นปัจจัยให้แทงตลอดพระนิพพานเป็นที่สลัดออกจากทุกนะทําบุญและตั้งความปรารถนาเพราะว่าผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานไปแล้วเนี่ยนะพ้นจากความทุกขโดยประการทั้งปวงถ้าเราได้เห็นว่าใครมีความทุกอยู่นะพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าเพราะเขาไม่เห็นนิพพานเขาจึงทุกแบบนี้นะเห็นหมูสัตว์ที่เดือดร้อนเนี่ยพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยเพราะเขาไม่เห็นนิพพานเขาจึงเดือดร้อน หมู่สัตว์ที่เร่าร้อนเดือดร้อนลำบากที่เป็นไปในวัฏทุกข์จมอยู่ในกองทุกขเดือดร้อนเร่าร้อนอยู่ในวัฏฏะทุกนี่เพราะเขาไม่แทงตลอดพระนิพพานถ้าเขาแทงตลอดพระนิพพานเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเขาจักพ้นไปจากความทุกข์เพราะนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบและเป็นสภาพที่สุขแต่ว่าถ้ายังเห็นว่าสังขารสุขที่จะบรรลุพระนิพพานไม่ใช่ฐานนะ เพราะนิพพานเป็นปฏิปักษ์ต่อสังขารถ้ายังชมว่าสังขารดีบรรลุนิพพานไม่ได้ถ้าชมว่านิพพานดีก็ต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายจากสังขารถ้าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายจากสังขารจรจักแทงตลอดพระนิพพานบทว่าสาธารเนคือแปลที่แปลว่าสาธารณะเนี่ยนะเมื่อกำหนดทุกและสุขได้อย่างนี้ สัตว์เหล่านี้ย่อมเดือดร้อนจมอยู่ในเหตุแห่งทุกข์อันทั่วไปแก่ทุกขมากมายจมอยู่ในเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็คือการโยคะทําทไมจึงจมอยู่ในเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องประสบทุกข์ต่อไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสเครื่องประกอบคือโยคะล่วงได้ยากนะอย่างเช่นกามโยคะเนี่ยนะไอ้กิเลสคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโรตภตาภะละยากนะ เมื่อไรเนาะจะเลิกะจะละความตัดชันนราคาค่ในอาหารได้โดยประการทั้งปวงอานะอาหารอร่อยกับไม่อร่อยเนี่ยใจเนี่ยมันมันมีรัว้วมันมีค่าเท่ากันเมื่อไรจะกใจจะคิดแบบนั้นได้เมื่อใดจะเห็นว่าสีทุกสีในโลกไม่มีความต่างกันเสียงทุกเสียงในโลกไม่มีความ ต่างกันไหแต่กิเลสมันบอกอันสีนั้นพิเศษนะสีแบบนี้เราชอบสีแบบนี้เราไม่ชอบเสียงแบบนี้เราบอกเพราะเสียงแบบนี้ไม่เพราะเลยเกล็ดนนี้หอมหเกล็ดนนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยนะเอามาทําไมรถนี้อร่อยมากรถนี้โอเนี่ยใช้อะไรทํามาเนี่ยนะแม่ครัวที่ไหนปรุงมาเพิ่งตื่นหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้าเป็นโพธทพ่าเหล่าเขาทำไมมันร้อนขนาดนี้ทำไมมันเย็นอย่างนี้เป็นต้น เพราความติดใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโภตภะที่น่าปรารถนานั้นอะละยากเพราะละอะละยากอย่างนี้นี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็เลยทําชั่วเพราะเหตุแห่งรูปสวยทําชั่วเพราะเหตุแห่งเสียงเพราะทําชั่วเพราะเหตุแห่งกลิ่นหอมทําชั่วเพราะเหตุแห่งรสอร่อยทําชั่วเพราะต้องการสัมผัสที่ตัวเองปรารถนาะพอทําชั่วอย่างนั้นเอาไปไหนคะเนี่ยฮะนะเราะ เพราะติดใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโลิตภัที่ตัวเองต้องการนั่นแหละจึงฆ่าจึงลักทรัพย์จึงประพฤติผิดในการมจึงพูดเท็จพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์จึงมากไปด้วยอภิชาจึงมีความโกรธและจึงเกิดมิจฉาทิฐิขึ้นก็เพราะติดใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโลิตภัที่ต้องการนั่นแหละจึงล่วงอกุศลกรรมบดเพราะล่วงอกุศลกรรมบดไปไหน ก็ไปอบายทุกขติวินิบาตและนรกถึงติดใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแล้วทําบุญให้ทานก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันดียังไงถ้าบ้านเมืองมีสงครามอะไรจะเกิดขึ้นยิ้มไม่ออกเลยนะโอยบ้านเราเนี่ยนะสงครามสามสี่วันเนี่ยตายมากกว่าประเทศอิรักถูกบอมบ์ใช่ถ้าใช้เวลาเท่ากันไหมเวลาเท่ากันเนี่ ย, นนยสงครามเราเนี่ยตายไปห้าร้อยกว่าเช่อิรักถ้าบอมบ์สามสี่วันไม่ได้ตายเท่านี้เลย มันแสดงว่าหูตายมากจริงๆนะบาดเจ็บเกือบสองหมืน่นน้องๆ อ, อิรักเลยบาดเจ็บเกือบสองหมืนแสดงว่าเสียหายหลายแสนล้าน น, นะเป็นแสนล้านเนีย่ยก็เป็นอย่างนี้มันถ้าเกิดมาเนี่ยนะเขบอกว่าตอนไปเที่ยวนี้สบายขากลับมาแบกลงศพกลับมาด้วย น, นะก็มีแต่อยังงี้กันนั้นไม่ใช่น้อยเลยนะถามว่าสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยนะมันไปอาบเออเรียกว่าอะไรส่งน้ําหรือส่งเลือด อาบน้ําหรืออาบเลือดหรืออาบน้ําตากันแน่อาบน้ําพ่อแม่ร้ายคนนี้ก็อาบน้ําตากันมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะละยากล่วงยากความสุขความเพลิดเพลินเนี่ยนะอย่างรสชาติอันอเร่ออร่อยที่เกิดจากการดื่มสุราและเมไรเมไรัยนี่ก็คือกลุ่มเบียร์ทั้งหลายเป็นต้นเรียกว่าเมรยัยสุราและเมรไม่ใช่จะละได้ง่ายๆความติดใจในรสเหล่านั้นไม่ใช่จะละง่ายความติดใจในหมายว่าท่านนั้นเมาเข้าปากแล้วบาปอย่างอื่นก็ตามมาอีก เยอแยะไปหมดเลยแล้วความประมาททั้งหลายก็ทะลักออกมาทําบาปทําอกุศลเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้อกุศลเหล่านั้นเวลามันให้ผลไปไหนก็ทุกข์ติด ก, ก็เดือดร้อนก็เสียหายมากหลายคนเนี่ยกู้หนี้เพื่อจะไปเที่ยวสองครานี่นะพอ ก, กู้เสร็จเนี่ยนะเที่ยวสองกรานหมดตังแล้วก็มาใช้ทํางานเหนื่อยแทบตายเพื่อจะใช้หนี้กับเขาก็เลยจมอยู่ในกองทุกข์แม้กระทั่งบาปอากุศลอื่นๆก็ไม่ใช่จะละได้ง่ายเพราะอะไร พระพระ อ, องค์ตรัสว่าอะไรนะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโพธาภะที่หน้าปราถนาเนี่ยชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดทําจิตใจให้ลุ่มหลงทําจิตใจให้เพลิดเพลินมันกนะ็หวังอยู่ร่ำไปนั่นแหละเสร็จแล้วพอหวังแล้วมันได้อย่างที่หวังไหมล่าไม่ได้พราะไม่ได้แล้วก็ทุกเพราะอะไรเพราะมันต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นเขาบอกว่าความสุขในกามมาพบเนี่ยนะอันนี้พูดสำนวนเท้าสกา่านะ ผู้ตามพระอินทร์เขาบอกว่าความสุขของพวกมนุษย์เนี่ยเหมือนพวกมนุษย์กับเทวดานะเทวดาชั้นกา ม, มาวาจรความสุขพวกนี้เหมือนเป็นความสุขที่เป็นกลุ่มเปรตมางั้นเถอะเป็นความสุขคล้ายเปรตหมายคือว่าพวกเปรตเนี่ยมันต้องอะไรนะครับเปรตมนต้องคอยรับส่วนบุญจากผู้อื่นใช่ไหมความสุขของมนุษย์เทวดาต้องอาศัยจากอย่างอื่นมาเข้ามาให้ตัวเองจึงกัมีความสุข ถ้าสิ่งอื่นไม่ได้มามาบำเรอตัวเองนะตัวเองไม่มีความสุขใช่ไหมมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นะต้องการรูปสวยๆไม่นั่งดูเล็บตัวเองอย่างเดียวเอาไหมล่ะจะได้มีความสุขไม่ได้ต้องไปดูเล็บคนอื่นฟังเสียงก็พูดให้ตัวเองฟังอยู่ทั้งวันทั้งคืนถึงไม่ได้ต้องให้คนอื่นพูดให้ฟังบ้างเป็นต้นดังนั้นความสุขของพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะพวกเทวดาทั้งหลายที่สแสวงหาความสุขนั้นเป็นการแสวงหาวัดจากวัตถุภายนอก เมื่อสแวอสแวงหาความสุขจากวัตถุภายนอกพระอินทร์ท่านยังบอกว่าแหมความสุขนั้นเยี่ยงกับเช่นกับเปรต ถ, ถ้าเทียบกับพรมถ้าเทียบกับผู้ที่บรรลุพระนิพพานเพราะเป็นความสุขที่อิ่มอยู่ในในภายในเนะี่ยเป็นความสุขความสงบที่เป็นความสงบที่เกิดจากธรรมในภายในไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากการอดอยากหวยหิวเนี่ยนะนะอดอยากหวยหิวแล้วได้บริโภคสิ่งนนั้นั้นก็เหมือนกับว่า มีความสุขเหลือเกินหลายคนไปบางแห่งเนี่ยโอ้ยนั้นก็น่ารังเกียจเนี่ยนะน่ารังเกียจนั้นก็ไม่ดีแต่ไปเจออาหารอร่อยเข้าเงียบเลยนะเพราะไปติดเยื่อเรียบร้อยแล้วก็เลยถือว่าได้ความสุขไปแล้วทวนนะจากเนื้อหาของพระสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าปรารบนางวิสาขาแสดงออกมาว่าทุกขสัจจะเนี่ยนะทุกประกาศทุกขสัจจะว่าประโยชน์ทั้งหมดถ้าอยู่กับผู้อื่นนี้นําทุกมาให้อันนี้เป็นการประกาศ ทุกขสัจจะความเป็นใหญ่ทั้งหมดนําสุขมาให้ใหญ่ในมรรคผลนิพพานเนี่ยนี่นำสุขมาให้นี่หมายถึงมรรคสัจจะกับนิโรสัจจะกิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะก้าวล่วงได้ง่ายละยากอันนี้เป็นสมุทยัทยสัจจะสรุปว่าทุกทุกกะทุกจริงๆหรือมันกันเลยกิเลสนี่มันก็มันก็ละยากจริงๆอ่ะนะทุกขสัจ ก, ก, ก็ทุกกะทุกจริงๆ สมุทยัรว์ก็ละยากจริงๆแต่ถ้าบรรลุมกษัตริย์นิโรธสัจจะก็สุขจริงๆนะบรรท่าผู้ใดเพียรเพื่อแทงตลอดอริยสัจนั้นน่ะจึงเชื่อว่าปฏิบัติชอบที่ปฏิบัติชอบจริงๆเลยเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจจะคาถาที่พระองค์อุทานออกมาก็เป็นการประกาศสัจจะนั่นแหละ